อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือเจ็ดร้กษิบนึ่งพิษณีนำกระพิยภัณฑ์ที่เหลือไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น2องพิษณีขออนุญาตเจ้าของก่อนจึงนำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น3ามพิษณีผู้มีเหตุขัดข้อง4ี่พิษณีวิกลจริต5้าพิษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่6จบ